เสียงอ่านพุทธธรรมฉบับรับขยายตอนว่าด้วยชีวิตที่ดีเป็นอย่างไรบทที่19บทความประกอบที่สองศีลกับเจตนารมทางสังคมสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปอประยุตโตอ่านโดยอริยคุณขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาเ้าภาพเพิ่มเติมอีกดังนี้พิรพัทอุตรสาริติกุลอภิชาตศีรตนอารามภูณสีช่างพินิษ กัญยนัตทองบุญครอบครัวทรงพลครอบครัวขวัญเพชรกันนิยาบุญธกาโนนบุญยนุษย์อินทนินครอบครัวงามสุริยพงษ์ครอบครัวคำสุภาครอบครัวสินสมบัติรจนาหมุนทานทิพกุลพระรดีสมานสุวรรณนราพ ORN าคเกตนนัตจันทราเนตรชัยยุทธอ่อนอินร่วมกับอีกหลายท่านซึ่งไม่ประสงค์ออกนามขอทุกท่านเจริญแต่ในทางที่เป็นกุศลยิ่งขึ้นไปสัพพะทานังธรรมทานังชินาติ